ที่วัดปาสารวันนี่แปลธรร ม, มา ก, ก็ไม่มีพระผู้เทศก็ไม่ต้องขึ้นนั่งบนธรร ม, มากแต่นั่งบนอาสนะก็มีค่าเท่ากันสำคัญอยู่ที่ผู้เทศแบบปกฟัง โอเคจะตั้งใจเกตที่จะอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังก็ตั้งใจฟังมุ่งที่จะเอาความรู้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้จะขอเสนอแนะความรู้กเกตเดชทีเป็นเรื่องตน้นซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจโดยทั้งโค้ เราได้ปัจญัยนตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระาที่ตื้นหลังจากตันก็ได้สมม า, านสิทห้าสิทธิ์แปดหรืออุโบสถกานที่เราปัจญัยนตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ประมงถึงบุคคลโูรตื้นจะเป็นตัวอย่างเป็นหลักยึดภายใ น, น, ในใจิตใจ เราก็ไจ้าเป็นบุคคลซึ่งเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยกําเนิดพระองค์เกิดในตระกูลกษัตรติย์อันสูงส่งความเป็นอยู่ของพระองค์ท่านเกี่ยวกับสวรรค์ท่านหนิมมานะระ ด, ดีในเรื่องรากล่า ว, ว่าพระองค์มีประสาทอยู่ ในสามวดูคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วก็ประกอบไปด้วยนักสนมจำ น, นวนตั้งหกหมืน่นและบริษัทบริวา ร, ร, ว ร, รอื่นๆมากยิ่งกว่านั้นตับสมบัติทั้งหลายทั้งควงก็อยู่ในตระกูลของความเป็นมหาเศรษฐี พอเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อใจต่อสมบัติแต่ยศสัปปวิวารเหล่านั้นตลาดพระละว่าการคลองเลินคือความเป็นสมมหาปเสริซึ่งภายในเจ็ดวันเท่านั้นสมบัติเล้าเจ้าจักรพรรดิจ ะ, ะนนต้องอยู่ในอำนาจของพระองค์หแต่พระองค์ก็ยอมเสียตลาด สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพื่อเกณฑแก่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธิญาณได้ฉลาสมบัติทั้งปวงออกกองบรพพชาจึงไปอธิษฐานเทศเป็นสมณะนัฝังแม่น้ำอเนรัญฉลาพอหลังจากนั้นก็ได้ทรงบำเพ็นทุกขละกิริยา ยอมเสียตละชีวิตตัวแรกพระสัพพัญญุตญาณตอนนั้นกล่าวว่าทรม า, านพระองค์ด้วยประการต่างๆมีการอดข้าวอดน้ำพลั้นลมหายใจจนกระทั่งพระวรก า, ายสูกของยังเหลือแต่โรงกระดูกเจนเทวดาทั้งหลายเข้าใจว่าพระองค์เส้นพระชนเสียแล้ว อันนี้คือการเสียสลับของพระองค์แต่ภายหลังอนอดพระองค์ได้มาพิจารณาดูว่าการที่บุคคลจะมาอบข้าวไม่บริโภคอาหารเลยถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ไม่เป็นผลทางที่จะทำกิเลสให้หมดไปการไม่นอนก็ไม่ยังบุคคลผู้ยังกิเลสู้ยังมีกิเลสอยู่ ให้กิเลสหมดไปได้การทรมานตนโดโวยประการต่างๆก็ไม่สามารถทาบุคคลผู้ยังมีกิเลสดูให้หมดกิเลสไปได้แล้วะองก็มาเสียสละการปฏิบัติอันเต็มทงดนั้นเสียขอมาสวยพระปยาหารเส่งพระนางสุดเสื่งนางสุดชาดานำไปถวาย เพื่อจโงสวงเทวดาที่ต้นไม้ใหญ่คือต้นไม้พระสีมหาโตอันเป็นที่พระพุทธองค์ประทับดำเป็นเกียรอยู่ก็นางไปเห็นรูปโฉมของพระพุทธองค์สวยงามยิ่งนะก็เข้าใจว่าเป็นเทวดามาประทับนั่งอยู่นั่น ก็เดิน้อมเอาข้าวมาสุบบาย า, ข, าข้าไปถวายทั้งขาดทองคำจานวนสี่สิบก้ากอ น, นแล้วพ ร, ร, ระองค์ก็พิจารณากระเจเบกานะแล้วก็ส่งไหมดทั้งสี่สิบก้ากอนแล้วก็นำขาดทองคำองนำสุดคาดาไปอธิษฐานเสียงในแม่น้อนาอเนรันธรา เรตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้สาสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ถารอยโผล่น้ำขึ้นเบนบนหากว่าเราจะไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ให้ถารอยไปตามกระแสน้ำนั่รงอธิษฐานพระไตรปิฎกวางถาของดำลงไปในกระแสน้ำถาก็ลอยขึ้นไปบือนบนขึ้นไปเหนือน้ำ เราประมงวนตกลงไปในเพิงที่ต้มพยาตาไปต้อนกับหาทองคำของพ ร, งงงงระพุทธเจ้าองค์นนอึ่นๆึ่งกาลนาตอนกินตอนเต่าอยู่นั้นพอการณาได้ยินเสียงอาจทองคำก็ะทบกันก็ตกใจตื่นตึ้งแล้วก็เป็นโมทานว่าเรานอนยังไม่ถึงยี่สิง เดพระพุทธเจ้ามนันกันอีกองค์หนึ่งแล้วอันนี้ก็แสดงว่า <c oughs> ชีวิตของโลกตางมันยืนยาวนักนะพระพุทธเจ้ า, า, า, าแต่และพระองค์ตัดกรู้แล้วกว่าจะสิ้นอายุศาสนาก็จำนวนหลายพันหลายหมื่นปีในช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์จะมากัน ก็นับเป็นกับดัดกันกันดาราตมแน่นนอนยังไม่ได้ตื่นก็พุทธเจ้าก็ไปตัดหลายองค์แล้วแสดงว่าอายุพญนาคที่มากมายจะเกิดเพราะจะนั่งไกลอยากเป็นนาคเลยมันพอละมันพญนาคถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีเลปีเด็กก็ตามแต่ก็เป็นประเภทตัดเดรัจฉานไม่ใท่มนุษย์หรือเทวดา บางทีบางจังเขาอาจจะมีเดมากเกี่ยงป่ามนุษย์อาจจะทําลายมนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมหรือคุนธรรมก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานฟังเทพของพระพุทธเจ้าก็มาเดชสําเร็จมากขึ้อย่างดีก็ได้เพียงแค่ความรื่นไห้ในความรสน่าใจอานิจจาวิจิตรเเรื่องบุคคลที่เป็นตัวอย่างคือประพุทธเจ้า เรามาปฏิญญานตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรารณะที่เปื่อนทีละลึกใครจะเข้าใจว่าท่านถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะปลุกเตกให้ท่านสำเร็จโนดสำเร็จให้เดือดตนบรรดาให้ล่ำให้รวยโดยบรรดาให้ถึงมรรคนิพพานอันนี้อย่าได้เข้าใจผิดการถึงพระพุทธเจ้าก็เพื่วจะศึกษาให้รู้ ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้เท่ด้วยพระองค์เองเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้สมบูรณ์วิทาจารณะสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติสุภดลเป็นผู้จเจริญไปดีจะไปที่ไหนทำบุญทําประโยชน์ให้แก่ที่นั่นเมื่อเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงอันนี้เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้า เรามาถึงพระองค์ก็ก็จะเรียนแบบเช่นอย่างพระพิสุสงฆ์สา ม, มเด่นมาบวชในวัดต้องสืนิสัยอุปชาอาจารย์ถ้าอุปชาอาจารย์มีกิริยามรารยาถุกนิสัยพระนรบมบ่มเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนโลกิก็มีกิริยามรารยาเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นผู้มีกิริยามรารยาสุภาพอ่อนโยน เป็นตุคภาพประหลกอย่างเต็มที่จนเป็นที่เตรงถามแก่เทวดาและบรรลุทั้งหลายการถึงพระพุทธเจ้าก็ควรจะเรียนแบบพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็นผู้เสด็จไปดีไปที่ไหนก็ไปดีอยู่ก็อยู่ดีเวลาหนีจากไปก็ไปดี ใที่ไหนก็ททำประโยชน์ให้แกที่นั่นปูกความร่วมใสศรัทธาให้แกไปชุมชนไปตุมตนมีความรัใกใส่้เคารพรับตือเมื่อนี้ไปแล้วก็มีผู้อะไรใจดีอันนี้คือความเป็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธบริษัทจะตะึงศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ <c oughs> ในพ ร, ระพุทธเจ้าจะเป็นตัวอย่างแห่งบุคลผู้อดทนทนต่อความทุกข์ยากลําบากเต็มเลยสวดพระองค์นอกจากจะทนปฏิบัติเพื่อสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมาอดทนเพื่อแสดงธรรมแก่เวทนนยศาสตร์แม้จะทุกข์ยากลําบากสักเท่าไหร่พระองค์ก็ยอมเสียสละความสุกส่วนพระองค์แส ด, ด็งไปแสดงพระธรรมกับเวทยศาสตร์ใด้ที่ทุกคนทุกแห่ง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแห่หมูคนผู้อดทมดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริ ษ, ษัทเรามาได้ปฏิ ญ, ญญาตรงถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสาณะที่เปื้อนกิเลสแล้วก็ได้สมาทานสิสมาทานสี้นห้าสิ้นแปดสินเจ็ดสนสองรอยยี่สิบิอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจา้าได้ทรมประพฤติปฏิบัติมาแล้ว เรากเจ้าไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คงเหงไม่รังแกไม่อจินลาทานไม่ตาเมสุมิสาจันไม่มุสาว่าโกหกครอบมไม่เศษลุราไม่รับทานข้าวเย็นไม่ประดับตกแต่งด้วยระเบียบของของเกย้อมต้องพาไม่ดูการพ้นลำัรล่องประคมโดนตรีหรือเมการเล่นเป็นเส้นหนามไม่นอนที่นอนระสูงที่นอนอันใหญ่ ถ้าฝึกขาดตนไม่ให้ติดในความสุ ข, สสขแล้วก็ไม่สะสมหรือรับเงินรับทองเอาไว้มากมายขายของอันจะเป็นสื่อนำตนผู้ไร้มาให้ปรุถุสลายกับตัวเองอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วทีนี้ส่วนละเอียดยิ่งจะไปกว่านั้นก็นเป็นการฝึกฝนอบรมกิริยาบรรยา j ที่มีความสุขภาพเข้มร้อยสมเป็นสุภาพบุรุษของโลก พระองค์จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทวินัยสองรอยี่สิบเจ็ดสิกขาบทสิกขาบทวินัยสองร้อยี่สิบเจ็ดสิกขาบทนั่นแหละคือคุณสมบัติของคามเป็นผู้ดีถ้าควรใดรักได้โดยเดตุขาปฏิบัติตามได้โดยเด็ุขาดแล้วควรจะเป็นผู้ดีเต็มรอยอเปรเซ็นอวินัยทั้งหลายเหล่านี้พระพุทเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สาเร็จผลมาแล้วดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกไม่ว่าพราละลูกขันตประพันธ์อันใดที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศขามว่าสิ่งนีนนะ้อย่านะอย่านะอย่าเสืิมไปพบค ร, อ ง, รองพระพุทธเจ้ามันเป็นภพเกราะองค์อาจจะครอองมาหลายครบหลายชาตแล้วการทํำแบบนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมที่จะปวงจิตริญญาณของมนุษย์ให้ตลมกลมสู่นรก เพราะฉะนั้นสิ่งใดพระพุทธเจ้าบรรว่าไว้กว่าอย่านะแล้วให้หยุดพันธีถ้ายังไม่หยุดไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าดีไม่ดีลงระรอกประโลมตึตัวเพราะฉะนั้นงานหน้าที่เราเข้ามาระลอกปัญญาตกลงพระพุทธเจ้าว่าเป็นภารณะที่พึ่ทง ท, ที่ระลึกอันร้อยที่พระพุทธเจ้าทรงข้ามไว้เราอย่าทําสิ่งนั้น สิ่งใดที่เราพระพุทธเจ้ประมงเอาระยะเอาระโภคองค์ทสิ่งนั้นผู้หมายความมาทำเนื้อมอดแง่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงท้าทำตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วก็ะยาพุทอุตตริบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงบัญญัติพระาไปอุตตริ้อดสอนสุขาบทินัยที่พระองค์ กองบัญญัติไว้แล้วก็เห็นแก่ความมาักง่ายอย่างเดียวือวิถีทางที่เราจะปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระเดชพระสัมุทธเจ้าโดยเจตนาการตั้งเจตนางดเวน้นตามกฎของสี้นห้าสิ้นแปสินติดสนสองร้อยที่ติดเจ็ด อันนี้เรียกว่าปฏิบัติพระศาสนาโดยเจตนาคือความตั้งใจการปฏิบัตบิตามกฎหรือระเบียบโดยเจตนาคือความตั้งใจเป็นอุบาย ป, ปลดปล่อยบรมจิตใจให้กลายเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่เราจะงดเว้นด้วยเจตนาแล้วก็ยังมีอุบายทําใจให้เป็นสมาธิเพื่อทําใจให้สงบ การที่เราจะเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงจนทำจิตใจให้กลายเป็นอัตโลัติ้งเข้าไปสู่ ว, วิถีทำอันเป็นกุศลโดย่ายเดียวเราจะหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาไปไม่ได้ที่เราจะตั้งใจงดเมเนบาปปมโดยเจตนาตามติปัาบทขึ้นในนั้ น, น, นในบางครั้ง จิตใจเรายังอยากเราอาจจะมีความเห็นเข้าท้างตัวว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นี่มันตุกจิกเราจะควรจะยกเว้นเสิกข้าบทเล็กเล็กน้อยๆอยแล้วเราก็ไปละเมิดสิ่ง้าบทเล็กเล็กน้อยๆอยตามที่เราเข้าใจก็เลยกลายเป็นการเพิกอนสิ่ข้าบทที่พรงบัญญัติไปแล้ว แล้วสิ่งใดที่มันถูกใจเราเราสะดวกสบายใจเราปฏิบัติสิ่งนั้นแต่มันขัดกับพระ บ, บัญญัติผิดพทะบัญญัติเพราะกรรมการบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะฉะนั้นอันใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงว่าไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของดีสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีอันนั้นมันชั่วมันไม่ดี ถ้าเราจะเชื่อฟังคำของพระพุทธเจ้าจริงๆเราต้องปฏิบัติตามถ้าหากเราไม่ปฏิบัติตามเราก็เด็จอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นคารณะที่พึ่งอิริยาบถเพราะเร า, า, เรายัางฝ่าฝืนอยู่ไปขัดกับคำปฏิญญาของเราที่เราปฏิญญาณอยู่ทุกวันทุกวันว่าสุทัศสาหัสสมีธาตุวะพระพุทเจ้าขอเป็นข้ตของพระพุทธเจ้า ธรรมสาหัตสมัมมาทิวะข้าพเจ้าเป็นทาสพระธรรมสังฆสาหัตสมัมมาทิฏวะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์ในเมื่อสิ่งใดที่เรานึกว่าจะเอาตามใจของเราก็เห็นแก่ความกระดกกระบายอยู่แต่มันขัด ก, กับระเบียบของพระพุทธเจ้เเเามันก็ไมยสนกับทงที่ปเสญญาณตนที่ว่าจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ โดยปกติความเป็นทาสนีจะต้องไม่มีอิสระแก่ผู้ใดบาเพ็ญตนไม่มีอิสระยอมเอาลบลบทรอบต่อทั้งสอนของพระพุทธเจา้ายอมตลอชีวิตเพื่อการข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจา้าทรงบัญญัติเอาไว้แล้วนั้นผู้นั้นโดยตัวเป็นทาคของพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงฆ์อย่างแท้จริง ถ้าหากเรายังขาดฝ่าฝนอยู่จังเห็นต่อปั่นสดุกสบายอยู่เราไม่เห็นขาดเมื่อเป็นเชนั้นเราก็ไกลต่อความสำเร็จมาผล น, นิพพานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อให้พวกเราได้โดปรดพิจารณาการทำสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญมาก สร้านเป็นอุปายที่จะปลุกใจให้วิ่งเข้เาไปสู่ธรมมรมะวินัยโดยอัตโนมัติเราตั้งเจตนางดเว้นตามสิ่งท้งหมต่างๆที่เราถือว่าเป็นศิลหรือวินัยอันนั้นอันนั้นเรายังรู้สึกต่ำเรารู้สึกผูกรู้สึกว่าเราต้องบังคับกดขี่ข่มเหงความรู้สึกของตัวเอง ให้ปฏิบัติตามเพราะอาศัยศรัทธาความเพื่อเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรามาทำสมาธิมันพิริพิจรารดาสิ่งที่เป็นบาปุนคุณโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์พิจรารดาดูเหตุผลความเสื่อมความเจริญทันมีอยู่ภายในจิตในใจของเราจนทงจิตทำใจให้มีสมาธิมีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลในธรรมะทาสังอารอยแพ่จริง แล้วมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจของเราจะวิ่งไปสู่วิถีทางแห่งคำบันถูกต้องความลังเลสงสัยใดๆที่มีในคําสอนของพระพุตธเจ้านั้นจะหายสิ้นไปหมดผู้ ท, ที่มีความเชื่อมั่นในคุณพระาณ์ไตรัยคือพระพุทธปรธรรมประสงค์ผู้มีความเชื่อมั่นใ น, นขุนศีลขุนขาด ว่าตัิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่สามารถเป็นเนยานิกระทำนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่มปรารถนาตัวนั้นในจัวเป็นผู้หายสงสัยในพระธรรมวิพติยเมื่อหายสงสัยในพระธรรมวัพนิยรสกายทิยมติความถือตนถือตัวไม่มี การเผยธาตุเอยตะโกนเผยยอดเผยสั่งเผยไม่ทางความโลภเผยความดีความเด็ดอะไรไม่มีโดยในสดแม้ฟังคิดฟังเห็นว่ามีตนมีตัวภายในตัวของตัวเองก็ไม่มีเธอไม่เห็นว่าลูกมีในตนเห็นตนมีในลูกเห็นลูกเป็นตนเห็นตนเป็นลูกไม่เห็นเวทนาสัญญาตั้งการวิญญาณเป็นตน ไปเห็นตนเป็นเวทนาสัญญาต่างๆปัญญาเป็นต้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเช่นนี้ความถือตนถือตัวอันเป็นสกายพิธีมันก็หายไปหมดแม้แต่ตนของตนก็ไม่ถือว่าเป็นตนแล้วจะไปถือพิธิมาน่าได้อย่างไรอันนี้ตัววิถีทางอย่างเิตใจที่เข้าถึงธรรมะโดยอ่านโหนมถึงซึ่งความเต็นแล้วในคำใดวิธี ในมาเป็นเจนนั้นสกาเดยติฏิความถือตนถือคัวไม่มีแม้จะเห็นว่าลูกเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูป ก, ก็ไม่มีความสงสัยรังเลยในพระธรรมวิในมันก็หายสิ้นไปในเมื่อความรังเลยสงสัยไม่มีแล้วความท่องใจอันเป็นศีรัษษัตตปรามากก็หมดสิ้นการทําอะไรก็ทําด้วยความแน่ใจไม่มีความโต้แย้งสงสัย ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ได้บรรลุเจ้าโสดาบันมีความเชื่อมัน่นในคุณพระพุทธธรรมประสมมีความรักมัน่นในคุณพระพุทธธรรมประสมแล้วว่าใครจะมาเจ้าหรือว่าท่านจะเลิกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมประสมเสียถ้าไปเลกิกบหวท่านจะตัด้อให้ตายผู้ที่มีความเชื่อมัน่นก็ย้อนเสียชีวิสละชีวิตของตนเองก็โภชาพลัคงความดี อันนี้คือผู้ที่มีวิถีธรรมมีวิถีจิตที่ดําเนินเข้าไปสู่พระธรรมวินัยแล้วโดวยอัจฉริยะตนเองก็ไม่รู้สึกในกดขี่กมเหงตัวเองคนอื่นก็ไม่ต้องมากดขี่กมเหงเราจิตใจของเราเนี่มันเป็นเองโดยอัจฉริยะโดยเส้นเชิงแล้วใครจะบังคับกอดตามไม่บงับงคับกอดตามก็ยินดีในข้อวัตรปฏิบัติขอ ง, ของ ท, ท่านอยู่อย่างนี้ไหล ใครจะว่าท like ่านสั่งช้าแร้วตามยังไงก็ตามท่านก็อบคุณในความดีที่มีอิริศในจิตของทั้นอยู่ยันนี้แหละใครจะว่าท่านยากท่านจนยังไงก็ตามไปท่านไปจะว่าท่านได้ดีหรือเร็วยังไงก็ตามท่านขอบคุณใจในความดีที่ท่านมีอยู่ในจิตใจใจนี้เขาจะไปเดืดรอนอะไรถ้าเวีจิตของท่านไม่มนเดินเข้าถึงและทำมาโดยโดยถูกต้องแล้ว เวลานี้ท่านปฏิบัติธรรมวิเนียของทั้นโดยความเรื่องไสโดยจิตใจที่ทันเป็นเองท่านไม่มีานจะกบตนรมสูตัวเองให้เกิดความินดีในกระทวินัยแต่หาว่าจิตใจของท่านมันเป็นธรรมเป็นวิเนัยไปเองโดยอัจฉริยะแล้วเมื่อก่อนนี้ฉันตั้งเจตนารลบง ตัวข้อจะเิดข้อโน้นก็จะเิดข้อนี้บ้างเดี๋ยวนี้ใจของท่านเป็นคำเป็นวินัยแล้วท่านระวังที่ใจอย่างเดียวั้นในเมื่อธรร ม, มะมันถึงใจใจถึงธรร ม, มะธรร ม, มะเป็นใจใจเป็นธรร ม, มะแ้วมันจะมีอะไรไปเถือดร้อนกนะังวล่ะพอกำหนดรู้ลงที่จิตตัวกันที่จิตใจอย่างเดียว ใจที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วใจเป็นไหญ่ใจมีธรรมใจมีวิไนยใจเป็นธรรมใจเป็นวิไนยมันสงดปัญหาหมดปัญหาที่จะต้องไปจดจ้องคอยระมัดระวังหมดปัญหาที่จะต้องไปวาดเขงว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกเพราะมันถูกไปหมดแล้วมันก็หมดภาระกันแค่นั้น เราจะนั่งวิถีทางที่จะทําให้เข้าถึงธรรมวิไนยอย่างแท้จริงนี่มีปฏิบัติอย่างเดียวคือทําสมาธิภาวนาใครจะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาไปเถะเอาจนจิตเป็นบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจใครจะค้นคิดพิจารณาเรื่องอะไรก็ตามโถิซึ่งมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องรเรื่องของสติไม่ว่าของโลกแรืของธรรมเอามาคิดดูให้บรนดี ในเมื่อจิตใจมีเครื่องรู้สติมีเครื่องรูกมันก็ย่อมเกิดความสงบมีปีติมีความสุขและก็จะมีความรู้แจ้งเป็นจริงไปเองเพราะสิ่งที่เป็นโลกโลกที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเรานี่แหละมันเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อเราอยู่ในโลกีตาระมองดูโลกดูคนดูสัตว์ดูทุกสิ่งทุกอย่างเรากำหนดหมายความสําคัญว่าไม่เที่ยงไว้ในจิตในใจ ในเ่ามนุษย์ทุกสิ่งท is ุกอย่างเป็นของไม่เทียงเป็นทุกเป็นอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจแล้วจิตใจมันจะไปดิ้นรนอะไรมันก็อยู่ในความสงบสุขสิ่งใดที่เราสามารถหาได้ก็ได้ไปสิ่งใดหาไม่ได้ก็แล้วไปตั้งแต่ความสามารถของเราแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนขี่เกียจขี้คลา คนที่ทำสมาธิภาวนาลู่ทำเหพียรทำลู่ของจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเป็นคนหมัน่นคนขยันไม่ใช่คนงอมืองงอเท้าอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเ จ, าจา้าสอนให้คนขี้เกียจงอมืองอเท้าสอนให้สันโดดอะไรทำนองนี้เป็นการเข้าใจผิดพระพุทธศาสานาผู้ที่มีจิตใจถึงธรรมถึงวินัยแล้วก็เปรียบเหมือนว่าผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายกายบกเหมืมอนเหมือนกษัตริย์สีทั้งหลาย แต่ษฐีเมื่อร่ำรวยแนละ้วไม่ใช่ว่าเขานอนนิ่งอยู่เฉยๆเขายิ่งมัน่นยิ่งขยันตึ้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ยิ่งรู้ธรรมเห็นธรรมก็ยิ่งมัน่นยิ่งขยันคนที่ไม่มีธรรมมีวินัยสังขารที่ไม่ถึงธรรมถึงวินัยสังขารที่มันขี้เกียจขี่การเปรียบเหมือนคนยากคนจนขี้เกียจทํางานมันก็ไม่มีความร่ำโดยล่อ ป, ปัดธรรมนี่มันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอุปมาอุปไมยซึ่งกันและกัน และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิง่งวิถีทางแห่งโลกทั้งหลายทัย้งปวงนี่แหละมันเป็นธรรมะคือสภาวะธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องกําหนดโน้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ธรรมจิตขึ้นไปสู่ภูมแห่งโลกบุตรนาแล้วมันไม่มีหรอกอนิจจ์ทุกข์อนัตตาไม่มีมีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้น อาตาที่เราจะเรียกว่าคนว่าตัดว่ามนุษย์ที่ไม่เตียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่ในโลกนี้อันเป็นโลกี่นี้เตียงแต่บางทีบางครั้งจิตมันหนีจากร่างแล้วไปลอยเด่นอยู่โคนเดียวมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ไม่มีอัตาเมื่อมันไม่มีอัตตามันก็ไม่มีสมมติปัญญะในเมื่อไม่มีสมมติปัญญะมันก็ไม่มีคนมีสัตว์มีผู้หญิงผู้ชาย มีแต่ตัวจิตที่รู้เดินอยู่เท่านั้นจิตใจของคนเรานี่ในเมื่อมันถีบตัวออกไปอยู่คนเดียวนะมันไม่มีดอกผู้หญิงผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเทวดาอินทร์ตนนั้นถ้ามันยังมีเทวดาอินทร์ตนอยู่มันจะยังต้องอยู่ในวัฏะมันต้องมาเกิดอีกมันต้องต้นจากความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นตนต้งจากความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องจากคนต้นจากฝาก บนบาปทั้งสองอย่างนี้มันมีค่าเท่ากันถ้ายังมีบุญ ม, มีบาปยังบบติดบุติดบาปก็ยังต้องเวียนวหาตายเกิดอยูใ่ในวัตจัสงสาร